หัวข้อประจำวาระอาคาตวัตถุอุบายกำจัดวินีตวัตถุอาบัตเป็นปฐมาปฏิกะสงแตกกันโภชนะอันประณีตมังสะอุทเทศสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งตันหามานะอธิษฐานวิกับจีวรขนาดพระสุคต การให้ไม่ชอบทำรรการรับไม่ชอบทำการบริโภคไม่ชอบทำการให้รับและบริโภคที่ชอบทำอย่างละสามข้อตกลงที่ไม่ชอบทำข้อตกลงที่ชอบทำรมทำเก้าหมวดกรรมที่ไม่ชอบทำสองหมวดการงดปาฏิโมกไม่ชอบทำการงดปาฏิโมกชอบทำ